ทรงประชมุมสงบัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชมุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาเป็นผู้ชอบก่อคดีพิพาทจริงหรือพวกภิกษุณีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนีว่าภิกษุทั้งหลายขไนภิกษุณีทุลนันทาจึงเป็นผู้ชอบก่อคดีพิพาทเล่าภิกษุทั้งหลาย